ด้ารินดีดนิวโดยแรงร้องออกมาว่าเอาละเหตุการณ์ช่วงนี้เรารู้สึกว่าพอจะรับรู้เรื่องราวได้กระจ่างชัดพอสมควรละพันธุมวดีนะ่ะไปผูกสมัครรักใคร่ชิดเชื้อกับขุนพลวรมันท่านก็หึงหวงโกรธแค้นก่อการกีดการราวีจนกระทั่งในที่สุดนิทรานครก็ถึงแก่การถล่มล่มลงสรุปก็คือ ใครเป็นพระราชธิดาของเจ้าอาณาจักรเมื่อเติบใหญ่เป็นสาวขึ้นท่านก็หมายปองเรื่อยไปอย่างนั้นใช่ไหมล่ะมันไรเสแยะยิ้มเป็นครั้งแรกดวงตาทั้งคู่ที่ไม่น่ามีประกายแสงได้บัดนี้วาวโรธพระองค์ทรงเข้าพระทัยผิดอย่างแรงพระเจ้าข่ามันไรน่ารักเดียวใจเดียวมอบไว้ให้แล้วแก่จิตรางขนาง ซึ่งผิดสัตย์สัญญาด่วนหนีตายไปซะก่อนอีกทั้งยังมีเรื่องราวผูกพันอื่นๆสร้างรอยแค่ในแก่มันไรมากนะไม่ใช่แคนเฉพาะพระองค์แต่แค้นไปถึงกษัตริย์ชัยสุริยาที่ขบถต่อพระองค์ด้วยดังที่มันไรได้ทูลไว้ก่อนแล้วว่าได้เก็บความแค้นนั้นไว้เพื่อการชำระมันไรไม่ได้ผูกจิตเสนหาอันใดกับเจ้าหญิงพันธุมวดีเลย หากแต่ต้องการที่จะแก้แค้นกษัตริย์ไชยสุริยาให้แก่จิตรังคนางนั่นแหละเป็นต้นเหตุสำคัญจึงได้ดำเนินแผนการทุกชนิดขึ้นเพื่อใช้ชนะตามวิถีทางของมันไพร์บรรดาให้แผ่นดินถล่มล่มลงเอาพันธุมมมดีมาไว้ใต้อำนาจมนตราอาคมเอาทุกชีวิตแห่งนิทราคนให้ลุงเป็นทาสภายใต้อุ้งเท้าของมันไร จิตรลางขนั้นหนีจากมันไรไปได้แล้วแต่ทันทุมมวดีและทุกวิญญาณของนิทรานครในครั้งกระนั้นจะต้องหนีน้ำมือมันไรไปไหมทูลทว่าเจ้าผีดิบผู้ขมังเวทหัวเราะเสียงแหบๆชี้มือมาที่ใบหน้าของหล่อน แต่แล้วก็วนโยนหนีกันไม่พ้นจริงจริงหนีกันไม่พ้นจริงจริจิตรางคันนางกับอคคณิรุตในพบนี้ก็หวนกลับมารวมมือกันทําลายกริยาคมทําลายอาณาจักรของมันไตรเส้อหมดสิ้นปลดปล่อยพันธมวดีและทุกวิญญาณที่มันไตรปกครองมานานไปเสสิ้น มันไรทรยศขบฏต่อกริยัดชัยสุริยาจริงกระทำการอันพระองค์ในชาตินี้อาจเห็นว่าชั่วช้าสามานจริงแต่สิ่งที่มันไรกระทำลงไปมันไม่ใช่เพราะแก้แค้นให้แก่จิตรางคนางดังที่ปฏิญาณไว้ก่อนดอกแล้วหรือมันไรกระทำผิดหรือ ในสายพระเนตร<อ>ของพระองค์เมื่อ <Coll ective> ย่งางทราบความจริงท<า>ั้ ง, <า>งหมดแล้วเช่นนี้หญิงสาวอึ้งไปครู่ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบเป็นตัวที่สองหล่อนใครครวนตามถ้อยคำบอกเล่านี้แล้วราชปุโรหิตมันไรก็มีเหตุผลแห่งการกระทำของตนอยู่ไม่น้อยเหมือนกันอืมันไร เดี๋ยวนี้เราเห็นใจท่านมากนะแล้วก็ออกจะเชื่ออยู่เป็นอันมากว่าท่านปักใจรักพักดีต่อเราจริงทำไมนะเราถึงไม่ได้รักท่านใชตั้งแต่ตอนยุคนั้นน่ะกดนั่นสิทำไมล่ะทำไมมันใครก็อยากจะถามพระองค์อยู่เหมือนกันมันไรย้อนมา เออแล้วตัวเราเองไปผูกสมัครรักใคร่กับอันอคคณิรุธได้ยังไงท่านพอจะรู้ไหมมันไรจิตรางคขนางพระองค์เป็นดารุณีที่มีสิริลักษณ์งดงามเหนือสตรีใดในแผ่นดินยุคนั้นเป็นราชธิดาองค์เดียวของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้รังตำแหน่งกษัตริย์อันจะดำรงตำแหน่งมหาราชินีต่อไปในอนาคตทุกชายหมายปองพระองค์ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าบุญวาสนาของมันจะถึงหรือไม่เท่านั้นกษัตริย์ราทีรากแว่นแขวนน้อยใหญ่ทั้งใกล้และไกลก็ล้วนมีจิตเสนหาพระองค์กันทั่วหน้าอัคนิรุธ เป็นเจ้าชายของแว่นแควนกระจ้อยร้อยองค์หนึ่งเท่านั้นอาจจะได้เคยพบปะเสวนากับพระองค์บ้างในวาระการประชุมอธิราชเจ้าทุกเขตแควนในปกครองเคยร่วมในยุทธกีธาประลองยุทธในแต่ละรอบครูปีแต่ลึกๆลงไปกว่านั้นพระองค์กับอัคนิรุธจะได้เคยคุยพบปะ และเคยมีความพึงพอใจต่อกันที่ไหนอย่างไรก็พ้นวิสัยที่มันใดจะล่วงรู้ไปทุกฝีก้าวเพราะอย่างนั้นพระองค์ก็แกรงกล้าโลดผผนประหนึ่งชายอกสามศอกไม่เคยประวันยั่นใครทั้งสิ้นเพราะมีฝีประหัตในเชิงอาวุธทุกชนิดเป็นเลิศเสด็จออกศึกหรือประพาสป่าอยู่หลายครั้งโอกาสเหล่านี้ จิตกลางคนางจะไปพบปะคุ้นเคยกับอคคิรุธอย่างไรมันไรก็สุดที่จะทราบได้จะทราบก็เพียงแต่ว่าพระราชมิดาไม่ทรงพระประสงค์จะให้เป็นเช่นนั้นและได้เคยทรงเรียกเข้ามารับสั่งตักเตือนอยู่หลายครั้งแต่พระองค์ก็หาได้เชื่อฟังไม่เป็นเสียงบอกอย่างขั้งแคนน้อยใจของมันไร มันไกลทุกชีวิตมีกรรมเป็นตัวชักนํานะการเวลามันก็ได้ล่วงผ่านมาดึกดำบันหลายชาติหลายภพจนนับไม่ได้แล้วทำไมเราถึงไม่โอ้โหสิให้แกกันสะทีล่ะแล้วลต่างฝ่ายต่างไปท่านจะมาคิดเจ็บแค้นหรือรักใคร่ผูกพันอะไรกับเราอยู่อีกล่ะ ปล่อยเราไปซะเถอะมันไรขออย่าให้มีกรรมต่อเนื่องผูกพันกันไม่รู้จบอีกเลยเราเองก็ไม่ได้ทาความเจ็บแค้นอะไรให้แก่ท่านมากมายจนถึงกับอภัยให้กันไม่ได้เพียงแต่ว่าบางนั้นท่านมาหลงรักเราเองส่วนเราไม่ได้รักท่านเลยแล้วเราตัดสินใจสังหารตัวเราเองหนีจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมาแล้ว ก็ขอยมันยุติกันเพียงแค่นั้นไม่ได้เลยมันไรจิตกลางคันางต่อให้ขึงเขาพระศิวะอังเยี่ยมยฟ้าจมลึกลงไปใต้สมุทรก็ไม่มีอะไรมาเปลี่ยนเจตนาลมของมันไรได้มันไรเฝ้ารอพระองค์มาหลายกับกันแล้วพระองค์เกิดแล้วดับดับลุกเกิด นับชาตไม่ท่วนแต่ก็ไม่ถือว่าราที่จะได้พบกับมันตรายมาตลอดก็เพิ่งจะมาในชาตินี้เท่านั้นที่วงเวียนแห่งสังสารวัฏโคจรให้มาพบปะกันอีกจนได้มันตรัยจะไม่ละโอกาสที่รอคอยมาแสนนานนี้อีกแล้วแม้แพลทพังพลาดพังอย่างใดวิญญาณจะต้องจมอยู่ในขุมโลกันไปช่วงกาลปาวสาร มันไรก็ยอมมันไรยอ ม, มยอดารินถอนใจยาวแล้ไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนความตั้งใจอันแน่วแน่ของเจ้าผีดิบพ่อมดร้ายตนนี้ได้ซะและ้วมันไรและท่านจะให้เราปฏิบัติเช่นไรยิ่งจะสมเจตนาเป็นที่พอใจของท่านละ่ะสภาพของเรากับท่านยามนี้ก็อยู่กันคนละสภาพ เราเป็นสิ่งมีชีวิตมีเลือดเนื้อมีลมหายใจประกอบไปด้วยท่าทั้งสี่เยี่ยงมนุษย์แต่ท่านเป็นแต่เพียงดวงจิตวิญญาณที่คอยอาศัยสิ่งสถิตยอยู่ตามซากของสิ่งที่ตายไปแล้วเท่านั้นนี่มันไตรเพเยรริมฝีปากอีกครั้งจิตรางคนางขาพระบาททูล<ร>แล้ ว, ลวนี่ จุดประสงค์ก็เพียงขอเชิญเสด็จจิตกลางคนางไปสู่มหาอาณาจักรเดิมอันเป็นราชนไอศูนย์สมบัติของพระองค์มหาปราสาทราชมนเทียนซึ่งถูกซ่อนเร้นปก ป, ปิดมีมีผู้ใดพะเห็นอีกเลยมาชั่วการนานมันไรลนิทรานครนั่นท่านก็รู้นี่ว่าเราเคยผ่านและเคยเป็นมือทำลายมาแล้ว มันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าซากนครร้า ง, ารางปรักหักพังเต็มไปด้วยซากุพอาบยาคำนวณหาอายุไม่ได้นี่จอมผีดิบสั่นศีรษะอีกครั้งหาเป็นเช่นนั้นไหมหาเป็นเช่นนั้นไหมพระเจ้าสิ่งที่พระองค์ผ่านพบมาแล้วน่ะเป็นแต่เพียงเปลือกผิวนอกเท่านั้น แต่ตัวมหานครแท้จริงยังคงสถิตสถาพรเรืองรองอยู่ด้วยฝีมือของสถาปัตยกรรมอันล้ำค่ะเสมือนเดิมหาได้มีส่วนใดชำรุดทุดโทมลงไปไหมมันเป็นอาณาจักรลี้ลับที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ขุ้เขาอันแท้จริงก็คือเท่าลาว่าที่ปกคลุมทับไว้เหมือนครอบแก้ว แม้แต่ไม้ไมในอุทยานก็ยังสวยสดอยู่เหมือนเดิมนี่ท่านคงไม่บอกเรานะว่ายังมีประชาชนชาวนิทรานครที่ยังมีชีวิตเป็นอยู่เหมือนคนธรรมดารอคอยเราอยู่มันไร้นิงเรารู้ว่านิทรานคร ในส่วนที่ยังไม่ถูกทำลายด้วยมนตราอาคมของท่านน่ะยังอยู่มันไตรแต่ถึงยังไงมันก็เป็นอาณาจักรร้างมันนับการเวลาไม่ได้แล้วตัวเราจะมีชีวิตอยู่ณนะอาณาจักรแห่งนั้นได้ยังไงละ่ะมันไตรจิตรางคณางพร ะ, พระองค์จะดำร <ดำ S 1> <ล>งอยู่อย่า ง, งอมตะ อย่างอมตาเช่นเดียวกับมันไรมิต้องมายุ่งเกี่ยวกับโลกภายนอกอันเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมของดวงจิตแห่งมนุษยชาติยุคนี้สรุปก็คือไปเป็นผีดิบอย่างท่านน่ะใช่ไหมมันไรพระองค์ตรัสประนามแล้วมองเห็นมันไรไปในแง่ชั่วร้ายตลอดกาลมันไรหาใช่ผีดิบไหม แต่มันไตรเป็นดวงวิญญาณที่ไม่รู้จักตายมันไตรพ้นจากภาวะเกิดแก่เจ็บตายนานแล้วเป็นวิญญาณอิสระที่ลอยอยู่เหนือโลกกระทำและวัตถุทมทั้งปวงพระุงจะมีความสุขเสรีเหมือนดวงดาวที่ล่องลอยไปในห้วงจักรวาลไม่มีแตกดับ ศูนสลายมันไรนี่เหรอคือสิ่งที่ท่านรอคอยเราอยู่พระเจ้าค้าใยนี้แหละที่มันไรเฝ้ารอคอยงั้นให้เราตอบให้เราอีกสักคำเถอะมันไรเมื่อท่านแน่ใจว่าเราคือจิตรางขนางแล้วน ท่านแน่ใจเหรอว่าพรานป่าคนนั้นคนที่ชื่อรพินไพรวันคือกษัตริย์อัคคิรุษจิตรางคนางในชาตินี้มันไรทูลแล้วว่าพระองค์เองนะหวนกลับมามีรูปโฉมโนมพัน์พระสิริลักษณ์วรกายและแม้แต่น้ำพระเสียเป็นจิตรางคนางองค์เดิมไม่แผลกเพี้ยนเลย เช่นเดียวกับที่เจ้าพรานปา่าคนนั้นก็กลับมามีรูปร่างหน้าตาประดุจเดียวกับอัคนิรุธในยุคน้นทุกประการพระเจ้าค่ะถ้างั้นตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนล่ะจีตรังขะนาง มันไรจะไม่มีวันพ่ายแพ้เป็นครั้งสามสองขอให้พระองค์รู้เถิดว่าอัคคณิรุธหรือพรานผู้นั้นกําลังเดินเข้าสู่จุดหายเนานะต่อให้ปราดเรืองเรืองเดชสักขนาดไหนก็จะไม่มีวันหลีกพนจากอํานาจของมันไรได้มันไตรไม่ได้แพ้ในครั้งนั้นเพียงแต่เพียงคลั่มไปชั่วขณะเท่านั้น มันไรไม่เสียดายวิญญาณของพันธุมวดีที่ถูกปลดปล่อยได้ไม่เสียดายทุกวิญญาณที่เคยเป็นฆาทาตบริวานของมันไรขอเพียงได้องค์ิตรางคนามาเพียงองค์เดียวเท่านั้นมันไรถ้าฉะนั้นเรามาตกลงมีข้อแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้เอาไหมข้อตกลงเช่นไรพระเจ้าค่า เราขอแค่สองประการเท่านั้นแหละอย่างรอบคอบและใคร้ควนดีที่สุดแล้วดารินเออย่างหนักแน่นประการแรกเปิดป่าปล่อยให้พี่ชายและคณะของเรากลับคืนออกไปสู่โลกภายนอกได้ส่วนประการที่สองเปิดทางให้แก่อัคนิรุธอย่าให้ไปรังควานราวีใดๆต่อเขาอีกปล่อยให้เขาเดินทางไปตามหน้าที่ของเขา แผนการทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีเจตนาร้ายต่อเขาขอยุติลงเพียงแค่นี้อย่าได้ไปแตะต้องเขาอีกจิตร้างขนางแล้วผลที่มันไรจะได้รับเา้าดารินยืดกายตรงขึ้นสูดลมหายใจลึกเอาละมันไรถ้าหากท่านให้สัจจะแกเราในสองข้อนี้ได้ เราก็พร้อมที่จะไปกับท่านทุกหนทุกแห่งตกลงไหมมหาพูดผู้อมตะซึ่งอดีตก็คือราชปุโรหิตผู้เรืองเวทแห่งนิทรานครนั่งนิ่งแข็งทื่อไปเช่นนั้นพักใหญ่แล้วกระแสเสียงที่แฝงไปด้วยความคลางแคลงก็กังวานขึ้นย้อนถามมาว่าจิตรางขันนาง ที่รับสัง่งมาเช่นนี้นะจริงหรือเปล่าพระเจ้าค่าจริงสิมันไรดารินบอกมาอย่างห้าวหาญเฉียบขาดมั่นคงในน้ำเสียงยิ่งนักขอท่านอย่าได้ใช้กติยาอาคมไม่ว่าประเภทใดทั้งสิ้นเข้าก่อกวนราวีอคคนิรุธและคณะของเราอีกในทุกกรณีรวมทั้งทางด้านฝ่ายของพี่ชายเราด้วยถ้าหากท่านรับคำใหสัจจะ เราจะยอมไปกับท่านทุกโหนทุกแห่งตามที่ท่านต้องการร่างสูงใหญ่ทํามนินั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนแช่มชา้าแล้วกม้มศีรษะลงเหมือนจะเป็นการถวายสักการะเคารพอย่างอ่อนโยนสุภาพที่สุดจิตร้างคันนางถ้าเช่นนั้นมันไรขอถวายสัสจจะทั้งสองประการนี้ จะไม่ตามจองล้างก่อกวนราวีทั้งทางด้านอัคคณิรุธและทางฝ่ายคณะของใต้ฝ่าพระบาทอีกเลยนี่เป็นข้อสัญญาสัญญาตามเงื่อนไขพระเจ้าค่ะ147ดารินซ่อนยิมอย่างไรก็ตาม หล่อนจะต้องหาทางให้ทั้งทางด้านระพิน์และคณะของพี่ชายปลอดภัยจากฤทธิเดชของไอ้พ่อมดผีร้ายนี่สัก่อนเป็นอันดับแรกส่วนตัวหล่อนเองนั้นจะเป็นเช่นไรค่อยไปคิดแก้ไขเอาภายหลังหรือถ้าชะตากรรมมันจะเป็นไปในรูปแบบยังไงก็สุดแล้วแต่หล่อนยอมพลีแล้วอ่ะมันไรงั้นก็เป็นนั้นว่าท่านยอมรับปากรับคำเราแน่นอนแล้วใช่ไหม เจ้าขา้าอะงั้นก็บอกมาเราจะเริ่มต้นกันยังไงจิตรางขานางพระองค์หลงปา่ายากแค้นสมสารทุกทรมานมามากแล้วสำหรับวันนี้มันไรขอเชิญให้บัรชมพักพรเอาแรงไวใ้ให้สบายก่อนเทิดในราตรีนี้ ไม่ต้องเกรงเกรงต่อพยันตรายใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีอะไรเข้ามาแผ้วพานกรำกายเบื่องพระบาดได้เลยแต่เมื่อแสงตะวันขึ้นเมื่อใดตื่นบรรทมขึ้นแล้วพระองค์จะทอดพระเนรเห็นคชสารใหญ่มีงาทั้งคู่ดำสนิทปานสีนินมาคอยเฝ้ารอรับเสด็จอยู่แล้ว ขออย่าได้ต ก, ตกพระทยตตัทยหรือทำร้ายอะไรต่อคตเสานงาดำเชือกนั้นช้างงาดำเหรอดารินอุทานออกมาลืมตากว้างใช่แล้วพระเจ้าค่ะช้างงาดำบริวารของมันไรเองพระเจ้าค่ะแล้วท่านใจเราทำยังไงต่อไปละ่ะเมื่อเห็นช้างงาดำเชือกนั้น มันจะยอมมอบกายสุดขาเทาวายสักการะแด่องค์มกุตราชกุมารีจิตรังคนางเมื่อทอดพระเนตรเห็ น, นดังนั้นแล้วขอพระองค์จงสเสด็จขึ้นกระทับบนคอคชสานนั้นมันจะนำสเสด็จพระองค์ไปเองโดยมีพักต้องดำเนินไปด้วยประบาท ให้เนื้อยากลำเค็นแปลว่าเราต้องนั่งหลังช้างของท่านตัวนั้นไปยังงั้นเหรอมันตรัยพระเจ้าข้าขอรับร้องว่าพระองค์จะปลดภัยทุกประการอแล้วตัวท่านเองล่ะจะมาด้วยไหมหรือว่าจะให้เราเห็นในวันพรุ่งนี้หรือเปล่า จิตรางกันนาอย่าได้ห่วงมันไรในเรื่องนี้เลยมันไรจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่มันไรจะเห็นและเฝ้าจับตามองพระองค์อยู่ทุกขณะพระองค์อาจจะเห็นในบางโอกาสเมื่อประทับไปบนหลังโคชสานนั้นหรือบางขณะก็จะไม่เห็นอะไรเลยแต่จงไปกับมันเถิด มันจะนำพระองค์ไปสู่จุดหมายปลายทางที่ทรงยอมรับว่าจะกลับคืนไปสู่เมื่อทรงเข้าพระไทยตามข้อนับแนะเช่นนี้แล้วข้าพระบาทมันไรก็จะขอทูลลาไปก่อนพระเจ้าค่ากล่าวจบมหาปุโรหิตมันไรก็เคลื่อนถอยหลังเข้าไปยังหมู่หินอย่างแช่มช้า ดรินวิ่งตามไปสองสามเกพร้อมกับตะโกนเรียกเดี๋ยวก่อนมันไรเดี๋ยวก่อนสิร่างนั้นหยุดเป็นเงาตะคุ่มอยู่ในความมืดของป่าหินมันไรฟังดูตามที่ท่านบอกหรือนัดแนะมานี่มันก็ง่ายดีอยู่หรอกแต่ปัญหาของตัวเราเองที่จะติดตามท่านมาเนี่ยท่านยังไม่ได้บอกให้ละเอียดเลยเนี่ พระองค์ต้องการทราบ ส, สิ่งใด<า>อีกแล้วพ ร, <า>พระเจ้าค่ะก็เราจะใช้เวลาเดินทางไปกระช่างของท่านนะกี่วันจึงจะถึงตำแหน่งที่ท่านบอกละ่ะไม่เกินสามทิวาราตรีพระองค์จะถึงมหาปราศาสจิตรางขนางเสียงตอบมาจากเงามือ ดารินพยายามอย่างยิ่งที่จะแสวงหาข้อมูลในอนาคตเบื้องหน้าของหล่อนให้ได้มากที่สุดนี่มันใจเราจะต้องรอนแรงไปบนหลังช้างถึงสามวันสามคืนทีเดียวเหรออย่าลืมสิว่าเรายังมีเลือดเนื้อมีชีวิตแล้วก็มีลมหายใจเรายังต้องการประทังชีพเยี่ยงสิ่งมีชีวิตอยู่นะระยะระหว่างนี้เราจะทำยังไงคาลงจะพักนอนที่ไหน อาหารเมื่อยามเราหิวโหยจะทำยังไงจิตรางขนางพระองค์จะมีที่อันเหมาะและสบายสำหรับการประทัดพักผ่อนเมื่อยามราตรีเข้ามาถึงอย่างปลอดภัยทุกระยะจะมีอาหารอันประกอบไปด้วยเผือกมันธัญญาหารผลไม้และแม้แต่เนื้อสัตว์สด ซึ่งบริวารของมันไรจะจัดเตรียมไว้ให้เป็นระยะจะมีอุทกธาราใสสะอาดสำหรับดื่มกินโดยมีพักต้องอาณาทรรนพระไทยใดๆเลยตลอดระยะทางจนกว่าจะถึงอาณาจักรเดิมของพระองค์ขอเพียงอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวเมื่อเห็นบริวารของมันไร โปรดอย่าได้ทำร้ายทุกตนที่ปรากฏกายขึ้นล้วนเป็นบริวารเป็นข้าทาสที่จะเข้ามารับใช้ฉลองบาททั้งสิ้นพระเจ้าค่ะอ้าวแล้วช้างของเราเองล่ะช้างหางด้วนตัวนั้นล่ะจะทำไงหล่อนถามออกไปมีเสียงหัวเราะดังตอบมา แต่ไม่มีวาจาใดๆแววมาอีกเลยร่างที่เห็นเป็นเงาทะมืนนั้นกลืนหายสนิทเข้าไปในม่านสีดำของราตรีที่แวดล้อมอยู่รอบด้านมันไตรพละจักรหลอนไปแล้วส่วนจะไปห่างไกลแค่ไหนหรือหลบซ่อนอยู่บริเวณใกล้เคียงดารินมิอาจจะทราบได้ รู้แต่เพียงว่ามันไม่ประสงค์จะปรากฏกายให้หล่อนเห็นเพื่อหล่อนได้มีโอกาสหลอกซักถามไปถึงเหตุการณ์ใดๆได้อีกยิงสาวผู้หมดที่พึ่งที่หวังนอกจากตัวของตัวเองและมีความมั่นใจว่าอำนาจอันศักดิ์สิทธิจากสวรรค์เบื้องบนจะไม่มีวันทอดทิ้งหล่อนถอยกลับมานั่งที่เดิมหล่อนคิดว่าหล่อนได้ตกลงไปกับมันไรเช่นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่สุดแล้ว สำหรับเหตุการณ์เฉพาะหน้าเช่นนี้อย่างน้อยระพินกับคณะและฝ่ายพวกของหลอนก็คงจะปลอดภัยแล้วจากการหมายติดตามจองล้างจองผลาญของมันมีความแน่ใจว่าทั้งสามฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายระพินฝ่ายพี่ชายของหลอนและก็ตัวหล่อนเองที่หลงพลัดอยู่ตามลําพังคนเดียวยามนี้ถ้าจะวัดระยะทางกันแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ห่างกันมาก เกินไปนักมันจะต้องอยู่ในรัศมีใกล้เคียงกันนี่แหละเพียงแต่ไม่ทราบว่าฝ่ายใดอยู่ในทิศทางใดเท่านั้นแต่ห่างกันเกินกว่าที่เสียงปืนหรือเสียงกูตะโกนเรียกหาจะได้ยินถึงกันได้สิ่งที่วิตกเป็นทุกข์อยู่ในขณะ น, นี้ดูเหมือนจะไปหนักอยู่ที่เจ้าด้วดช้างคู่บารมีของหลอนที่หายสาบสูญไปอย่างปราศจากวี่แววเลย เกิดอะไรขึ้นกับเจ้าด้วนถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับมันหล่อนเชื่อว่าป่านนี้มันน่าจะมีสัญชตาตญาณรู้แล้วว่าหล่อนกำลังตกอยู่ในเงื่อมเงาภายัยและคงจะต้องติดตามหาหล่อนจนพบได้แต่ไม่มีร่องรอยวิ่แววของมันเลยดูราวกับว่ามันได้ตายจากไปแล้วฉชนนั้นส่วนอีกใจหนึ่งก็มีความเชื่อมั่นว่า หากหลวงพ่อทวดที่หลอนอาราธนาผูกคล้องคอให้กัมมันอย่างเหนียวแน่นยังไม่พลัดหลุดจากคอของมันต่อให้ตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายซักขนาดไหนไอ้ด้วนก็จะไม่มีวันถึงแก่ชีวิตเป็นแม่นมัน่นพระอรหันตเจ้าองค์นั้นจะต้องทรงคุ้มครองมันไว้อย่างแน่นอนดารินทอดกายลงนอนหนุนท่อนแขนแทนหมอนเช่นเดิม ขาข้างหนึ่งเหยียดราบไปกับพื้นอีกข้างหนึ่งชันเข่าขึ้นมือทั้งสองประสานกันวางอยู่บนอกดวงตาเมื่อยังปราศจากจุดหมายขึ้นไปยังจุดทองของดวงดาวในสมองปั่นป่ว น, นยุ่งเหยิงไปหมดแทบจะจับต้นชนปลายไม่ถูกทุกถ้อยกระทงความที่จอมผีดิบมันไรนำมาเล่าความให้หลอนฟัง ยังแววอยู่ในโสรและกลางดวงจิตนี่มันเป็นความจริงเหรอในข้อที่ว่าณชาติดึกดำบันนานนมมาแล้วนั้นหล่อนคือเจ้าหญิงจิตราคนางและเขาผู้นั้นคือกษัตริย์อักคนิรุธถ้ามันเป็นการเสกสรรปั้นแต่งเรื่องโดยเลขกลของเจ้าผีร้ายมันไรเหตุใดมันจึงสอดคล้องสมเหตุสมผล ประสานเรื่องเชื่อมโยงกับความลี้ลับของนิทรานคนรดังเช่นที่หล่อนเคยรับทราบเป็นทุนเดิมมาก่อนแล้วอย่างหมะเจาะเช่นนี้แล้วรพินผู้ซึ่งกำลังบุกบั่นไปเบื้องหน้าคณะของหล่อนนะักบัตนี้เล่าเขาเองจะได้รับรู้ความในเหมือนอย่างที่หล่อนรู้หรือเปล่าแล้วถ้ามันไรไม่หมดทิดหล่อนก็พอจะอบอุ่นใจได้บ้างว่าขณะนี้ จอมพรานผู้นั้นยังคงมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนยังไม่ได้ล้มหายตายจากไปหาไม่เช่นนั้นไอ้จอมพูดผีดิบก็คงจะแย้มพลายอะไรให้หลอนทราบบ้างแล้วสังเกตดูเฉพาะถ้อยคำที่ตอบโต้หรือเล่าความแก่หล่อนมันมีเจตจำนงที่จะหมายมั่นปองร้เขาให้ได้เท่านั้นอันน่าจะยังแสดงว่ามันยังเพียรพยายามอยู่แต่ยังกระทาไม่สาเร็จ แล้วคนมีดีอย่างระพินก็ไม่น่าที่จะตกเป็นเหยื่อของมันได้ง่ายนักที่หลอนรู้แน่ๆอีกอย่างหนึ่งก็คือระพินกำลังบายหน้าเข้าหานิตรานครที่เคยผ่านมาแล้วนั้นอย่างแน่นอนคนอย่างระพินหล่อนรู้จักดีเพจภยัยใดๆก็ตามที่คุกคามทําเข็นแก่เขานั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้เขาจะหลีกเลี่ยง แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้คนคนนั้นจะมุ่งเข้าหาผัดเชิญหน้าในทันทีและพฤติการจากร่องรอยของเขาเท่าที่หลอนแกะรอยมาโดยตลอดนั้นหล่อนตรนักดีว่าเขาถูกมันก่อกวนดักทําร้ายอยู่ทุกขณะจนกระทั่งเกิดการตายขึ้นของหมู่คณะมีหรอที่เขาจะคอยตลบหลีกหนีหน้ามันถ่ายเดียวป่านนี้ เขาอาจจะเหยียบเข้าดินแดนอาถรรนั้นแล้วก็ได้และถ้ามันใจ ร, รักษาสัจจะที่สัญญาไว้กับหล่อนภายในคืนนี้มันก็จะต้องปล่อยให้เขาผ่านเข้าไปโดยไม่มีการดักซุ่มโจมตีใดๆอีกทั้งสิน้นถึงคณะพี่ชายของหล่อนเองก็ตามถ้าแม้ว่าอย่างช้าพรุ่งนี้ยังตามไม่พบหล่อนทั้งคณะก็คงมุ่งเข้าหานิทรานครอย่างแน่นอนเหมือนกัน จุดหมายปลายทางดูเหมือนมันจะไปรวมกันอยู่ที่นั่นเพียงแต่ว่าถูกแล้วเพียงแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไปถึงก่อนหรือหลังเท่านั้นและถ้าสวรรค์ทรงโปรดก็ขอให้ได้พบกันทุกฝ่ายณที่นั้นเถิดหล่อนพนมมือภาวนายามนี้ดารินไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกแล้ว นอกจากสิบนิ้วต่างทูบเทียนบูชานบไหว้วิงวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเงีทรายยามนี้ฉันไม่มีใครอีกแล้วนะไม่มีใครจริงๆทำไมเธอถึงไม่ปรากฏเงาให้ฉันอุ่นใจบ้างสักนิดล่ะหล่อนคร่ำครวญโกนทันโนปิติพาคัตสมิง โกธันโนปิธิพาคัตสมิงโกธันโนปิธิพาคัตสมิงนายหญิงครับเมื่อนายหญิงภาวนาอัตคคาถาประโยคนี้ก็แปลว่าพระอรหรอันต์โกนธัญญะเสด็จมาประทับ ทรงคุ้มครองอยู่เบื้องหลังของนายหญิงแล้วล่ะครับและเมื่อพระโกนธัญญประทับอยู่เบื้องหลังก็แปลว่าเงาทรายมาพลอยอยู่เบื้องหลังของนายหญิงด้วยทุกขณะจิตแล้วถึงแม้จะมองไม่เห็นเงาก็ตามครับเป็นเสียงทุมลึกกระซิบตอบคําครวญของหลอนมาเงาทรา ย, ายนี่เธอมาอยู่ใกล้ฉันจริงๆเหรอเนี่ยเงาทราย ดารินแทบจะผุดลุกขึ้นนั่งอย่างพรวดพราดอีกครั้งแต่ก็สู้สงบจิตมันไม่มีประโยชน์อะไรสภาพของแง่ใจนั้นลี้ลับซะยิ่งกว่าผีดิบมันตรัยซะอีกวิธีที่ดีที่สุดยามนี้ก็คือนอนพนมมือตามเดิมแต่ส่งกระแสะจิตถามไปนายหญิงครับตลอดเวลา เมื่อนายหญิงอยู่ในห่วงภัยแง่ทายไม่เคยพละห่างจากนายหญิงหรอกครับแล้วแล้วแง่ทายแล้วเธอรู้เห็นไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเมื่อครู่นี้รู้ครับเห็นแล้วก็เข้าใจโดยตลอดแหละครับแง่ทายมันทรยรู้เห็นด้วยไหมว่ากระแสจิตของเธออยู่ใกล้ชิดฉัน ตลอดเวลาที่มันมานั่งผู้จาอยู่กับฉันเนี่ยนายหญิงครับอำนาจจากขุมนรกโล ก, กันแม้จะเกรียงไกรสักเพียงไหนก็ไม่เหนือไปกว่าอำนาจจากสวรรค์หรอกครับพระอริยเจ้าบังดวงจิตของมันไว้ไม่ให้เห็นแม้แต่ภายในสมองของนายหญิงว่ากำลังคิดการอะไรอยู่ยยยเช่นนี้แล้ว มันจะเห็นแง่ท า, ายผู้เป็นสิทธิ์ของอรหันตเจ้าได้ยังไงล่ะครับด่ารินขนลุกซ่าด้วยความปีติใจเหลือที่จะกล่าวนี่แง่ทา ย, ายแล้วเรื่องราวที่มันเล่าให้ฉันฟังเมื่อกี้มันเป็นความจริงหรือเปล่านายหญิงครับนายหญิงสัญญากับมันไว้เป็นมั่นหม่อแล้วไม่ใช่เหรอครับว่าจะยอมไปกับมันก็ลองทําตามสัญญาดูสิครับ แล้วนายหญิงจะรู้เองว่ามันเป็นสิ่งเท็จหรือสิ่งจริงนี่แงซายเธอตอบไม่ตรงคำถามชนะนายหญิงครับคำถามบางชนิดไม่อาจที่จะได้รับคำตอบโดยตรงได้หรอกครับเพราะอย่างทีา่แงาซายเคยพร่ำเตือนไว้หลายครั้งแล้วหากแงาซายทำผิดกฎชี้อนาคตหรือชี้อดีตให้กับใคร แม้แต่คนที่ตนเองเคารพบูชาที่สุดแง่า ย, ายก็ไม่สามารถมาคอยให้ความช่วยเหลือใดๆแก่ผู้นั้นได้อีกละครับแล้วแล้วฉันคิดผิดหรือคิดถูกละ่ะที่ตกลงให้สัตว์สัญญากบมันไปอย่างนั้นน่ะแง่ทา ย, ายนายหญิงครับที่นายหญิงตัดสินใจน่ะถูกต้องแล้วครับเป็นความกล้าหายเด็ดเดี่ยวอย่างยิง่งอย่างน้อยก็บ่ายเบนจิตที่มุ่งอาฆาตมาดร้ายของมัน ต่อคณะนายหญิงออกไปได้สักก่อนแม้จะชั่วขนาก็ยังดีครับแต่ถ้านายหญิงพลิกพลิ้วต่อต้านมันเมื่อไหร่มันก็จะแผลงริขึ้นอีกเมื่อนั้นและครับน ะ, นะครับลแล้วฉันจะต้องทำยังไงมั่งเนี่ยแงทร า, ายรอสรุปลงท้ายฉันจะต้องกลายสภาพเป็นผีดิบที่คอยดูดเลือดสรัรพสัตเหมือนอย่างที่พันธุมวดีเคยเป็นยางนั้นเหรอแงทร า, าย นายหญิงครับมันสวดมนภาวนาเข้าไว้ครับอย่าให้พระเครื่องรางทั้งสององค์ที่เหลือติดคอนายหญิงอยู่ห่างพ้นตัวเป็นอันขาดมันจะทำอะไรนายหญิงอย่างที่มันต้องการไม่ได้ละครับจำคาแงซายไว้เถอะสิ่งสุดท้ายที่มันจะพยายามกระทำก็คือสะกดจิตให้ในายหญิงถอดพระเครื่องรางประจำตัวออกจงคุมสติ และระมัดระวังในข้อนี้ให้มั่นก็แล้วกันอองะทายแล้วแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะถามเธอเลยใช่ไหมว่าพี่ทั้งสองคนของฉันน่ตอนนี้อยู่ที่ไหนและรพินอยู่ที่ไหนแต่ละฝ่ายเป็นยังไงมั่งขนาดนี้รวมทั้งเจ้าด้วนที่หายสาบสูญไปด้วยอะ่ะครับผมนายหญิงไม่มีสิทธิ์จริงๆครับเพราะถามแล้ว เงายายก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะให้คำตอบได้หรอกครับอีกประการหนึง่งที่นายหญิงต้องการจะทราบมาโดยตลอดก็คือนายหญิงจะตามผู้กองพบไหมถ้าพบจะพบที่ไหนพบเมื่อไรไม่มีใครจะบอกนายหญิงได้ทั้งนั้นแหละครับนอกจากอนาคตที่จะคลี่คลายออกไปเองเท่านั้ น, นครับ เอาละแงซา ย, ายฉันจะพยายามเข้าใจเธอแต่ถึงยังไงฉันก็ยังอยากจะรู้อดีตการของฉันพอมีทางบ้างไหมนายหญิงครับนี่ก็แปลว่านายหญิงยังไม่ยอ ม, ยอมเชื่อมันไรที่นำความมาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับมันก็ใช่สิแงซา ย, ายก็มันเคลือบแคงเหลือเกินน่ะในข้อไหนล่ะครับนายหญิง มันก็ทุกข้อไป น, นั่นแหละและโดยเฉพาะเรื่องระหว่างฉันกับอัคคิรุธถ้าฉันคือจิตรางคนางจริงอย่างที่มันอ้างกนะ็ไม่เห็นจะยากอะไรนี่ครับนายหญิงนายหญิงสามารถดูเห็นได้ด้วยตนเองอยู่แล้วนี่อะไรดูเหรอเห็นเหรอฉันจะเห็นย้อนหลังไปได้ยังไงกัน ฉันไม่ใช่นางแม่มดมีรีทนี่นายหญิงครับแต่บุญบารามีเก่าของนายหญิงมีแล้วบัดนี้บารามีนั่นก็มาถึงตามการเวลาแล้วล่ะครับใช้บารามีแห่งชาน์มองอดีตย้อนหลังของตนเองสิครับและจะมองเห็นได้ง่ายกว่ามองอนาคตคนที่จะมองอนาคตได้น่ะต้องชั้นพระอริยเจ้า แต่นายหญิงยังไปได้ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับอะไหนลองบอกมาซิว่าฉันจะต้องทำยังไงถึงจะมองย้อนอดีตตัวเองเห็นน่ะนายหญิงสงบจิตเข้าสมาธินะครับผ่อนลมปราณให้สม่าเสมอไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมานั่งให้เมอนหรอกครับจงนอนราบอยู่ในลักษณะนั้นแหละครับลืมทุกสิ่งทุกอย่างใส้หมด เพ่งดวงจิตไปเฉพาะที่องค์มหาฤาษีโกนธัญะที่นายหญิงเคยเห็นท่านมาแล้วภาวนาประโยคว่าโกนธัญโยปิดปิทภัพพาคัตสมิงโกนธัญโยปิดปิทิทพาคัตสมิงภาวนาไปเรื่อยๆรืยครับแล้วนายหญิงก็จะได้เห็นเองรู้เองและเข้าใจเองในอดีตชาติที่ย้อนหลังไปเรื่อยๆ เหมือนเปิดั拉บามดูภาพเก่าเก่าถ้ายังไม่พบภาพที่ต้องการก็อย่าหยุดอยู่เพียงแค่นั้นคนลึกลงไปเรื่อยๆรืยเข้าใจที่ไงยสายบอกหรือเปล่าครับนายหญดารินเม้มริมฝีปากแน่นพยักหน้าช้าชาเอาละเงยสายฉันพอจะเข้าใจแล้วแต่ถ้าจะให้ฉันมีกำลังใจพอที่จะเข้าสมาธิภาวนา เพื่อดูลึกลงไปในอดีตของตัวเองฉันว่าเธอปรากฏตัวออกมาฉันเห็นหน่อยได้ไหมไม่จะเป็นเพียงภาพมายาลวงตาก็ตามเหอะนายหญิงอยากเห็นใครล่ะครับจักรราชหรืองแง่สายจักรราช์น่ะไม่มีความหมายอะไรกับฉันมากนักหรอกแต่แง่สายน่ะมีความหมายมากกว่าฉันฉันอยากเห็นแง่สาย นายหญิงครับถ้าอย่างนั้นก็ลืมตาสิครับแง้ทายนั่งอยู่บนก้อนหินตรงหน้านายหญิงนับบัดนี้แล้วล่ะครับดารินค่อยๆรีเปลือกตาขึ้นทีละน้อยทีละน้อยบนแท่นหินที่มันไรนั่งอยู่เมื่อสักครู่นี้บัดนี้ปรากฏภาพของเจ้าอดีตคนรับใช้ประจําตัวของหล่อนขึ้นมาแทนกางเกงดําครึ่งแท่ง เสื้อดำแบบกระเรียงและผ้าแถบสีแดงค่าสีสะบนตักคือไรเฟิลคาร์เวียงโบราณจุดสีสีทับสีูนย์ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนไปจากที่หลอนเคยเห็นจนคุ้นตาไฟในกองสว่างพอสมควรทำให้ภาพนั้นชัดเจนในคลองจักษุ ข, ของหลอนยิ่งนักจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นภาพมายาที่หลอนคิดวาดขึ้นเอง เพราะเห็นตำตาอยู่ในระยะแค่สองวานี่เองซ้ำอย่างประหลาดขึ้นไปอีกในกรณีที่หลอนหลับตาสนิทลงเรียบร้อยก็กลายเป็นความมืดมองไม่เห็นอะไรแต่พอแย้มเปิดเปลือกตาก็มองเห็นดารินลืมตาสว่างโพล่งเต็มที่อีกครั้งคราวนี้หลอนเห็นแม้กระทั่งรอยยิ้มสว่างจ้าจนไรฟันขาวสะอาดปรากฏ หล่อนขยับตัวแต่แง่ทายยกมือขึ้นห้ามนายหญิงครับนอนอยู่ยังงั้น่ะครับถึงนายหญิงจะลุกขึ้นมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรจะมาจับต้องกายของแง่ทรายก็ไม่ได้ไอ้ผีดิบมันไตรซะอีกมันยังมีซากเป็นวัตถุให้นายหญิงสัมผัสแตะต้องได้แต่แง่ทายนั้นไม่มีที่นายหญิงเห็นอยู่นี่ เป็นเพียงพลังงานจากกระแสคลื่นดวงจิตที่รวมกันเข้ามาและจอรับภาพในแก้วตาของนายหญิงสามารถจะรับภาพได้เท่านั้นแหละครับนายหญิงต้องการเห็นแง่าสายแง่าสายก็มาปรากฏให้เห็นแล้วไงครับนี่นี่แง่าสายฉันดีใจ ย, ย, ยันบอกไม่ถูกเลยนะที่ได้เห็นเธอชัดตาถึงขนาดนี้ทําทําไม ทำไมเธอคงสภาพฉันเห็นได้และเป็นเพื่อนอยู่กับฉันเหมือนสมัยก่อนตลอดไปไม่ได้เหรอแง้ทายแง้ทายสั่นศีสษะเชื่องช้าคงยิ้มละไมอยู่เช่นนั้นบางขณะบางโอกาสเท่านั้นครับนายหญิงและมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องอาศัยการเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีด้วย เราจะไม่มีเวลาคุยกันมากนักหรอกครับจงใช้เวลาของนายหญิงให้เป็นประโยชน์เถอะครับดีกว่าจะคุยกับแง่ทรายผู้ไม่อาจให้ความกระจ่างใดๆกับนายหญิงได้เกินขอบเขตเมื่อขอยแง่ทรายปรากฏภาพให้เห็นแง่ทรายก็ปรากฏให้ได้เห็นแล้วเพื่อความอุ่นใจของนายหญิงในคืนอันแสนเปลี่ยวนี้เหมือนสมัยที่เราเคยเดินป่าแล้วแง่ทรายเป็นผู้รับใช้ในครั้งนั้นครับ นี่และจะไม่อนุญาตให้ฉันคุยอะไรกับเธอมั่งเลยเหรอแม้แต่ในเรื่องส่วนตัวของเธอเองสักวันหนึงครับนายหิงสักวันไม่ช้าก็เร็วเราอาจได้พบตัวจริงซึ่งกันและกันกันและเมื่อนั้นเราคงมีเวลาได้สนทนากันมากแต่ไม่ใช่เวลานี้ครับอ่ะทั้งนั้นก็สัญญามาก่อนสิแง่ทราย สัญญ า, ญญาอะไรครับนายหญิงสัญญาว่าตลอดเวลาที่ฉันสำรวมจิตเข้าสมาธิและตลอดคืนก่อนตะวันขึ้นเธอจะอยู่ใกล้ๆฉันไม่ไปไหนคอยคุมดวงจิตฉันไว้ด้วยนะไม่ให้ตะลอดออกนอกทางหรือมีช่องว่างที่จะให้อะไรเข้ามาสิงแทรกได้ฉันกลัวมันตรหรือวิญญาณชั่วร้ายอื่นๆจะถือโอกาสนี้เข้ามาครอบงำฉัน แล้วสิ่งที่ฉันอาจจะเห็นนั้นจะกลายเป็นภาพลวงตาที่ถูกสิ่งอื่นบันดาลขึ้นหาใช่ความจริงในอดีตของตัวเองไมมแง่า ย, ายก้มศีสษะลงครับนายหญิงของแง่า ย, ายยังรอบครอบรับกุมอยู่เหมือนเดิมนะครับตกลงครับผมแง่ท า, ายจะช่วยคุมดวงจิตและอินทรียาบของนายหญิงไว้ตลอดเวลาไม่ให้มีสิ่งใดมากล่อมกาย ลุกรัเมกมาได้เลยแต่ถ้าเข้าสมาธิแล้วนายหญิงมองไม่เห็นอะไรก็อย่ามาโทษกันกันแล้วกันนะครับคิดวิชาณบารมีของนายหญิงเองยังไม่ถึงเพราะมันก็ไม่แน่เหมือนกันบางคนเราเมื่อหลับตาลงแล้วบางทีก็นอนหลับไปเลยแล้วก็ฝันอะไรเลอะเทอะออกนอกลู่นอกทางไม่เป็นสาระก็ได้ครับแหนะไงทรายก็ เธอยังมีอารมณ์ขันแล้วก็น่ารักอยู่เหมือนเดิมนะเจ้าน้องชายก็มัวแต่หลอกชวนคุยอยู่ในลักครับพี่สาวอย่างนี้จะเอาสมาธิตั้งจิตสงบได้ยังไงล่ะครับนี่นี่นี่แงสายเธอต้องไม่สะกดจิตฉันแซงบรรดาให้ฉันมองเห็นอะไรที่เป็นความเท็จออกไปนะไม่ว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นสิ่งสวยงามหรือน่าเกลียดน่ากลัวสลุดรันจวนใจยังไงอะ ไม่แล้วครับนายหญิงจะไม่มีเจตนาประสงค์ร้ายของสิ่งใดทั้งสิ้นเข้าไปมีอำนาจอำนาจครอบงำนายหญิงได้เลยครับตราบใดที่พระอาหารเจ้าทั้งหลายประทับทรงอยู่รอบกายนายหญิงในขณะนี้ครับเอาล่ะฉันจะพยายามทำตามที่เธอแนะนำมาแต่บางทีฉันอาจจะหลับสนิทไปเลยก็ได้ครับถ้านายหญิงหลับไปเสได้เลยก็ถือเป็นการดีครับ เป็นเสียงตอบมาเป็นประโยคสุดท้ายแล้วจากนั้นหล่อนก็ไม่ได้ยินอะไรอีกดวงตาทั้งคู่หลับสนิทลงมือยังคงประสานวางอยู่บนซวงอกกำหนดจิตจมดิ่งลงสู่พวางลึกปล่อยสมองให้ว่างเปล่าตัดความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงออกไปหมดสิน้นไม่สำเนียกยินยน หรือสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบกายอยู่ในขณะนี้โดยสิ้นเชิงโดยการนำรุดหน้าสแสวงหาร่องรอยไปอย่างทีท้วนและระมัดระวังของครูพรานหนานอินกับขยินคณะของเชษฐาทั้งหมดบ่ายหน้าลงไปตามแนวกระแสน้ำที่พัดผ่านลงไปสู่ป่าเบื้องล่างซึ่งรัศมีของมันแลดูกว้างใหญ่ไพศาลเหลือประมาณ เหมือนแม่น้ำอันเชี่ยวกรากทั้งสายที่พัดผ่านไปหุนทางนั้นนำลงไปสู่เบื้องต่าที่เริ่มจะทึบขึ้นเป็นลำดับพยานหลักฐานที่เห็นอยู่ก็คือไม้ไล่ขนาดย่อมอันไม่อยู่ในฐานะจะต้านกระสายน้ำที่พุ่งลงมาอย่างรุนแรงนั้นล้มอยู่เกะกะระเนระนาดไปหมดบางต้นถึงกระถอนรากถอนโคนทั้งยวงและพื้นที่ยังเปียก และชุ่มชื้นไปหมดการพบหีบเวชภันธ์ที่ทุกคนเห็นติดตัวดารินหลุดลอยหายวับไปกับตาในขณะที่เกิดมหาอุทกภัยอย่างฉับพลันเมื่อคืนนี้ขึ้นไปติดค้างอยู่บนซุ้มเถาวันสูงและต่างก็ไต่ขึ้นไปนำลงมาได้ยังพอมีความหวังเหลืออยู่บ้างว่าน้องสาวคนเล็กของคณะจะต้องถูกกระแสน้าพัดปลิวละล่องต่อไป ในเส้นทางสายนี้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะถูกนําลอยไปถึงไหนที่ใดและได้รับอันตรายอย่างไรหรือไม่เท่านั้นซึ่งในข้อหลังนี้ทุกคนไม่กล้าคิดไม่กล้าที่จะพูดออกมาเพราะก็เห็นอยู่แล้วว่าโดยความรุนแรงของสายน้ำที่เผชิญกันเมื่อคืนตลอดจนร่องรอยเส้นทางผ่านของมันดังเช่นที่ได้ตรวจพบกันมาตามลาดับนั้น หากร่างน้อยๆบอบบางของมนุษย์สักคนหนึ่งที่ปลิวไปกับความเชี่ยวกรากของมันกระทบเข้ากับแก่งแง่หินหรือต้นไม้ก็จะต้องแหลกและชนิดจำซากไม่ได้ทีเดียวเว้นไวแต่ประการเดียวเท่านั้นที่เหลือเป็นความหวังหนึ่งในหมื่นคือมีปาฏิหาริย์อะไรเข้ามาช่วยโอบอุ้มเกื้อกูลไว้โดยมิให้ร่างกายของหล่อน ระหว่างที่ลอยปลิวตามน้ำไปกระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางรวมทั้งต้องไม่จมอยู่ใต้ผิวน้ำขณะที่โกรกเทลงมานั้นด้วยอากาศชื้นอับแสงตะวันที่ส่องลอดกิ่งใบไม้มาเห็นได้เพียงแค่จุดดวงที่ปรากฏอยู่เป็นหย่อมๆเท่านั้นทั้งนานอินและขยิ่งใช้ความสามารถของความเป็นลูกป่าโดยกำเนิดอย่างเต็มที่ แม้แต่อนุชาเองก็ยังไม่อาจที่จะเป็นฝ่ายนำหรือแบ่งแยกกันออกทางด้านอื่นใดไ ด, ได้นอกจากตามหลังบุคคลทั้งสองไปชนิดรวมกลุ่มเวลาผ่านไปตามลำดับความกระวนกระวายใจร้อนรุ่มก็เพิ่มขึ้นในจิตใจของทุกคนเป็นลำดับเช่นกันแม้กระทั่งพวกลูกหาบอีก15ชีวิตที่ร่วมทางมาด้วยกันทั้งหมดขยินและนานอินนั้น มีการพูดจาหาหรือซุบซิบกันอยู่ตลอดเวลาตรวจไปทั้งตามบริเวณพื้นที่ล่าต่ำลงไปเรื่อยๆพร้อมๆกันก็ตรวจสูงขึ้นไปยังระดับของต้นไม้และพงเถาวัลย์บางขณะก็แยกกันออกไปคนละด้านเหมือนจะแบ่งพื้นที่หาร่องรอยแต่ก็อยู่ในรัศมีที่สามารถมองเห็นกันได้ทุกคนเหน็ดเหนื่อยและอยู่ในภาวะเครียด จนแทบจะไม่ได้พูดจาคำใดกันเลยการเดินตามแนวกระแสน้ำพัดเมื่อคืนเป็นเส้นทางเดินที่ลำบากอย่างยิ่งไหนจะลื่นต้องระวังตัวกันแจไหนจะชันในบางพื้นที่อันต้องค่อยๆพยุงกายไต่กันลงไปและไหนทิศทางจะมุ่งลงไปสู่ความรกทึบซึ่งในเวลาปกติหากสามารถเลือกเส้นทางเดินอย่างอื่นได้นักเดินดงทุกคน ต่อให้เชี่ยวชาญชำนาญไพรสักขนาดไหนก็ย่อมจะต้องหาทางหลีกเลี่ยงแต่ในภาวะเช่นนี้คณะของเชษฐถาผู้กำลังติดตามหาตัวน้องสาวหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ายังปรารถนาที่จะได้ตัวของลอนหรือแม้แต่ซากศพคืนมิฉะนั้นก็จะแปลว่าดารินวราฤทธิ์จะสาบสูญไปเลยไม่เพียงแต่นานอินรือขยินเท่านั้น แม่อนุชาเชฐาชัยยันและพวกลูกหาบทุกคนขณะที่สาวรอยตามคนทั้งสองไปก็ใช้สายตาและประสาทสัมผัสตรวจสอบสิ่งแวดล้อมรอบตัวทุกขณะที่ผ่านไปโดยไม่ยอมให้สิ่งใดรอดพ้นสายตาข้อสังเกตไปได้แนวทางที่เคยเลียบคู่ขนานกับเส้นทางน้ำตกบัดนี้เบนแยกออกไปทางด้านขวามากขึ้นทุกที พระหลักฐานของสายน้ำที่พัดอู้แยกห่างออกไปโดยสอบได้จากโคนต้นไม้และพุ่มพงที่มีรอยลู่ระเนนมันอยู่กะทิศทางที่ทำนบเบื้องบนแตกว่าจะเทน้ำให้ทะลักไปทางด้านไหนเป็นสำคัญขึ้นชั่วโมงที่สามและบ่ายลงเต็มทีแล้วยังไม่มีวี่แววใดๆทั้งสิ้นและจุดที่กำลังเดินกันอยู่ในขณะนี้ ก็ห่างจากตำแหน่งที่ค้นพบหีบเวชพันธ์ของดารินออกมามากไกลลิบลับทิศทางภูมิประเทศก็นำลงสู่พื้นที่ต่ำลงไปเรื่อยๆดูเหมือนแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดสิงสาราสัตว์แม้แต่นกสักตัวก็ไม่ปรากฏเงาให้เห็นตามหนทางที่บุกบั่นกันลงมาเพราะพวกมันเองถ้าแม้ว่ายังมีอยู่บ้างในบริเวณป่าทึบแห่งนี้ ก็คงพลอยถูกกระแสน้ำพัดกระจัดกระจายกันไปหมดสภาพของน้ำป่าที่กระโจนพุ่งลงมาจากยอดเขาสูงเมื่อใกล้รุ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาราวกับโลกแถบนั้นจะถล่มทลายลงฉันนั้นถ้าจะพอมีเหลืออยู่บ้างก็ประเภทสัตว์เลื้อยคลานชนิดสะเทินน้าสะเทินบกเท่านั้นเบื้องหน้าต่ำลงไปคณะที่เคลื่อนตามมาเบื้องหลัง จะเห็นครูพรานนานอินโบกมือเป็นสัญญาณชี้แนวทางให้ทราบว่ากระแสน้ำส่วนใหญ่พุ่งเบนไปทางไหนและตัวแกเองกับขยินก็บ่ายหน้านำไปทางนั้นนับตั้งแต่จุดนัดพบรอคอยพวกลูกหาบให้ลงมาสมทบพร้อมหน้ากันซะก่อนแล้วจึงเริ่มยกขบวนออกติดตามมาทั้งหมดยังไม่มีการหยุดพักกันอีกเลยระยะประมาณ40เมตร ที่พอจะเห็นภาพเบื้องหน้าในแนวเส้นตรงได้เพราะสภาพของป่าเริ่มจะโปร่งโล่งขึ้นทั้งหมดหินหนานอินกับขยินลงนั่งอยู่บนก้อนหินก้อนหนึ่งเหมือนจะหมดแรงพักเหนื่อยหรือมีชั้นนั้นก็รอคอยพักพวกอนุชาวิทยุถามลงไปทันทีว่างไงลุงอินไม่มีวิแววอะไรมั่งเลยเหรอ ยังไม่พบอะไรเลยในชดุดเสียงแก ต, ตอบมาหอบหอบทางวิทยุเช่นกันแต่ระดับน้ำที่พัดท่วมสูงมาตลอดเริ่มมีระดับต่ำลงแล้วละ่ะดูจากบริเวณที่มันพัดผ่านโคนไม้และก้อนหินก็แปล ว, ว่าน้ำมันเริ่มอ่อนกำลังลงแล้วไหลกระจายกว้างออกไปอีกนั้นอินเชื่อว่าอาจจะมีพื้นราบโล่งอยู่ข้างหน้าไม่ไกลนัก ถ้ามีที่ราบโล่งจริงแล้วน้ำแผ่กระจายไหลกว้างออกไปเราจะหารอยได้สะดวกกว่านี้อ่งั้นก็รออยู่ตรงนั้นก่อนทั้งสองคนนะพวกเราจะตามลงไปเดี๋ยวนี้แหละอดีตพรานชดสั่งแล้วหันมาทางพี่ชายและเพื่อนบอกเครียดๆว่าน้ำที่พัดบา ล, ลงมาเหมือนเทลงจากกระบอกเริ่มอ่อนกำลังลงตรงบริเวณนี้แล้วครับ ถ้ามีที่ราบอยู่หลังป่าทึบนี่ดักขวางอยู่แล้วถ้ามีเนินสูงคอยสกัดเป็นทานบไว้อีกทีหนึ่งความหวังของเราก็พอจะมีเพิ่มขึ้นนั้นละเธอแน่ใจเหรอกลางว่าตลอดระยะทางยาวไกลที่เราติดตามลงมานี่เราจะไม่เดินผ่านบริเวณที่ร่างของน้อยอาจจะไปขัดติดอยู่กับคาคบหรือซอกหินตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดซะก่อนเติถาถามเสียงแผ่วต่า ส่อนความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างไว้ภายใต้สีหน้าสงบขึงของเขาครับผมแน่ใจว่าไม่เป็นอย่างที่พี่ใหญ่คิดนะครับถึงไม่เชื่อสายตาผมก็ขอให้เชื่อสายตาลุงอินกับขยินนะครับสองคนนั้นต้องรู้ดีครับชยันนั่งเงียบกริบไม่พูดคาใดมาสองชั่วโมงเต็มเต็มแล้วเขาเพียงแต่คิดอยู่ในใจว่าถ้าหากพบดารินวราริศ แม้แต่จะพบศพก็ตามก็ต้องถือว่าดีที่สุดแล้วสําหรับการติดตามในวันนี้เทว่าเขาก็ไม่กล้าที่จะเอ่ยว่าจาชนิดนั้นออกมานอกจากพึมพำว่าไอ้ผีดิบมันไรเล่นงานพวกเราในครั้งนี้มันเจ็บแสบที่สุดเจ็บแสบชนิดไม่มีครั้งใดเหมือนมันเอาเราครบดทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเลขกลมน์คถาเออเป็นทีของมันละยัยถึงทีเรามั่งก็แล้วกันเชษฐ า, าตอบป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อที่กําลังจะย้อยเข้าตาฉุดแขนชา ย, ยันให้เดินคู่ลงไปด้วยกันตามหลังอนุชาที่เร่งฝีเท้านําลงไปก่อนแล้วส่วนพวกลูกหาที่แบกสัมภาระข้าวของตามหลังมาด้วยใกล้กล้ก็เคลื่อนตามมาติด ทุกคนมีสีหน้าหมองคล้ำปริวิตกเห็นได้ชัดบริเวณที่หนานอินและกะยินนั่งคอยอยู่ก่อนแล้วนั้นเป็นที่โล่งพอสมควรท่ามกลางหมู่พญาไม้ใหญ่และพุ่มพงที่แวดล้อมอยู่แล้วก็จิงดังที่แกวิทยุบอกขึ้นมาทั้งเชฐดถาชัยยันและอนุชาเพื่อจะสังเกตเห็นระดับของน้ำที่มีร่องรอยพัดผ่าน ซึ่งแต่แรกนั้นมีระดับสูงเกินพื้นดินขึ้นไปกว่า10ฟุตบัดนี้ระดับของมันสูงเพียงแค่ 3-4 มสี่ฟุตเท่านั้นแสดงว่าอ่อนกำลังลงมากแล้วและคงจะแย่แพ่กระจายออกไปในรัศมีกว้างไกลทุกคนพักขาอันปวดล้ากันชั่วขณะ ด, ดื่มน้ำและนั่งรวมกลุ่มกันอยู่บริเวณนั้นอนุชาเข้าไปนั่งพูดอะไรตามลาพังกับครุรานเท่า ผู้ใจของเขาชายันนะทิ้งกายลงนั่งข้างๆเชษฐาแล้วควักบุหรี่ออกมาจุดสูบเป็นตัวแรกของระยะเดินทางอันยาวนานเ อ, อ่ยขึ้นแผ่วเบานี่เชษฐาใจจริงของแกจะมีความเห็นว่าไงอีกฝ่ายฝืนยิ้มรอบถอนใจมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันสมองของฉันตอนนี้มันตันไปหมดละ น้าแกฉันว่าเรามาคิดคำนวณดูระหว่างปริมาณของน้ำมะืึมาไม่รู้สักกี่ล้านคิวบิกเมตรที่เทใส่กระบาลพวกเราเมื่อใกล้รุ่งที่แล้วก ร, ร่างกายของน้อยมันก็เหมือนกับว่าน้อยนะ่ะเป็นแค่เพียงเศษผงชิ้นเล็กๆ เ, เท่านั้นท่ามกลางสายน้ำอันมากมายเหล่านั้นและเมื่อเทียบกับเส้นทางไหลบ่าของมัน ที่เราเดินติดตามกันมาแทบตลอดทั้งวันเนี่ยฉันว่างมเข็มในมาหาสมุทรมีสภาพยังไงการติดตามหาตัวน้อยมันก็คงไม่ห่าง ก, กันนักแต่เราก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่นดีไปกว่านี้ไม่ใช่เหรอชัยยันตาของชัยยันมองมือไปยังอนุชาและหนานอินที่กำลังนั่งหาเรือเอาหัวชนกันอยู่อื บ่าวนายคู่นั้นดูเขามีความหวังหรือมีความเชื่อมั่นเหลือแกคิดอย่างนั้นไหมนานอินมีสัญชาตญาณพิเศษประจำตัวของแกคล้ายๆระพินเหมือนกันส่วนกลางนะ่ะเราต้องยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าป่าคนหนึ่งในอดีตถึงไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่อีกเราก็ต้องมอบความไว้วางใจให้แกเขาทั้งคู่แล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในการเดินทางครั้งนี้ เราฝากไว้กับทั้งสองคนหมดสิ้นแล้วชา ย, ยันหันไปสกิดสีข้างของขยินผู้นั่งนิ่งเหมือนจะไต่ตรองอะไรอยู่เจ้าคิดยังไงขยินเจ้าอาดีตนักเลงโตหล่มช้างหันหน้ามาทางชา ย, ยันแล้วเสียงฮ้าวๆจากลำคอใหญ่โตของมันก็ดังออกมาว่าเจ้านาย ขยินคิดว่าวันนี้ไม่พบหนายหญิงพรุ่งนี้ก็ต้องพบถ้าพรุ่งนี้ไม่พบมะรืนก็พบคำตอบนั้นถ้าเป็นเวลาปกติชัยันก็คงทีบเขาห้แล้วแต่ในภาวะเช่นนี้มันทำให้เขานิ่งซึมไปอีกแล้วอนุชาพู้นั่งอยู่กัะนานอินก็ร้องบอกมาทางพี่ชายและเพื่อนว่า พี่ไหญครับเราจะนั่งพักกันตรงนี้สักเดี๋ยวเดียวนะครับและจะออกเดินทางต่ออีกทันทีลุอินแน่ใจว่าจะต้องพบที่ราบโลง่งไม่ห่างจากดงทึบนีดนักครับอ่ะตกลงงั้นพักสิบนาทีแล้วกันท่านหัวหน้าคณะตอบแล้วยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเรามีเวลาอีกไม่มากนะักก่อนค่ำเหลือแค่สองชั่วโมงเท่านั้นนะอ่ะงั้นก็พักกัน